พงตรัสว่ามาลุกกยะบุตรเธอเข้าใจความพ่อนั้นว่าอย่างไรรูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตาเหล่าใดอันนี้คือสีทั้งหมดในโลกเนี่ยนะสีเธอไม่ได้เห็นคือเกิดมาชาตินี้ไม่เคยเห็นสีที่ว่านี้เลยไม่รู้สีอันนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรและไม่เคยเห็นแล้วแม้ในอัตภาพอันเป็นอดีตเนี่ยนะชาติอดีตก็ไม่เคยเห็นชาตินี้ก็ไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยนะ ย่อมไม่เห็นแม้ในบัตรนี้ไม่เคยเห็นสีแบบนั้นเลยเนี่ยนะทั้งการกำหนดว่าเราพึงเห็นก็ไม่มีแก่เธอหรือไปกำหนดเพื่อที่จะเห็นอันนั้นก็ไม่มีเธอมีความพอใจกำหนัดหรือรักใครในรูปเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะเคยมีไหมสีที่ไม่เคยเห็นมาสักอย่างเลยเนี่ยนะสีชนิดนั้นน่แล้วไม่เคยเห็นไม่เคยคิดจะเห็นด้วยถามว่าจะติดใจในสีอันนั้นมีหม ไม่มีแต่ท้ายว่าโอ้โหสีอนั้นเนี่ยไม่เป็นอารมณปัจจัยเลยสมมุติถึงจะมีทองอยู่ใต้ภูเขาลึกเข้าไปสักยี่สิบกิโลเมตรเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นเลยยังไงก็ไม่ชอบใช่ไหมไม่ติดใจแน่เพราะไม่เคยเห็นไม่เคยอะไรสักอย่างพอที่จะให้ไปติดใจใช่ไหมผมก็ภาพมารุกยะบอกไม่มีเลยสีที่วาดเนี่ยจะไม่มีฉันความกำหนัดฉันท่าคือความพอใจความกำหนัดก็ไม่เกิด เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูเหล่าใดเธอไม่ได้ฟังในอัตภาพนี้เกิดมายังไม่เคยได้ยินเลยเสียงแบบนั้นน่ะไม่เคยฟังแล้วแม้ในอดีตก็ไม่เคยฟังมาอัตภาพที่เป็นอดีตเนี่ยนะย่อมไม่ฟังคือในตอนนี้ก็ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งการกําหนดว่าเราพึงฟังก็ไม่มีแก่เธอตั้งความปรารถนาเพื่อจะฟังเสียงแบบนั้นก็ไม่มีเธอจะมีความพอใจกําหนัดหรือรักใคร่ในเสียงเหล่านั้นหรือมีไหม เกิดมาไม่เคยได้ยินเสียงนั้นเลยไม่คิดจะได้ยินด้วยถามว่าจะมีความกำหนัดในเสียงอันนั้นไหมไม่มีเลยพระพุทธเจ้าข่ากลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกเหล่าใดเธอไม่ได้ดมไม่เคยดมมาเลยกลิ่นแบบนี้นะไม่เคยดมแล้วแมในอัตภาพอันเป็นอดีตก็ไม่เคยดมมาเลยว่างั้นย่อมไม่ดมคือตอนนี้ก็ไม่ได้ดมกลิ่นแบบที่ว่าเนี่ย ทั้งการกำหนดว่าเราพึงดมที่ตั้งความปรารถนาว่าจะได้ดมกลิ่นแบบนั้นเนี่ยนะก็ไม่มีแกเธอเธอจะมีความพอใจกำหนัดหรือรักใคร่ในกลิ่นเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะเป็นกลิ่นอะไรก็ไม่รู้เกิดมาไม่เคยดมเลยไม่เคยคิดจะดมเลยนะถามว่าพอใจในกลิ่นแบบนั้นไหมไม่มีนาะแสดงว่าที่เราติดเติดกบติดในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเนาะ รถที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นเหล่าใดเธอไม่ได้ลิ้มอย่างยกตัวอย่างนะัอาหารชาวเผ่าที่ไหนที่หนึ่งก็ไม่รู้นะในทวีปแอฟริกาแล้วมันเข้าไปลึกอย่างเงี้ยนะอาหารชนิดนั้นเนี่ยนะเราก็ไม่เคยได้ลิ้มมาในะอัตภาพนี้ก็ไม่เคยได้ลิ้ม mm. อัตภาพก่อนๆ ก, ก็ไม่เคยได้ลิ้มนะแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ลิ้มอยู่ทั้งกําหนดว่าเราจะพึงลิ้มเนี่ยนะที่จะบาดบันจะไปเอารถอาหารแบบนั้นก็ไม่มีแก่เธอเธอจะมีความพอใจกําหนัด หรือรักใคร่ในรถในรถเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะดูนะพระองค์สอนกรรมฐานนะเนี่ยกรรมฐานของพระองค์กับของเราบางทีก็ไม่เหมือนกันนะถ้ามาขอมาเนี่ยที่จะให้กรรมฐานแบบนี้ไปไม่มีเราคิดอะไรได้ก็ว่าไปเรื่อยนั่นแหละพระองค์เนตรวจอัธยาศัยก่อนนะก็ให้กรรมฐานตามอัธยาศัยได้นะฉลาดเอาสิ่งที่ไม่มีมาเปรียบเทียบะนะ คืออารมณ์นั้นมีแต่ว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับท่านเลยอะ่ะไม่เกี่ยวข้องกับคุณเลยเนี่ยทำทำยังไงจึงจะไปติดใจไปอะไรกับไปอะไรอววรกับอารมณ์นั้นนใช่ไหมเพราะไม่เคยเกี่ยวข้องกันเลยอะ่ะหรือว่าโพธาภะที่พึงรู้แจ้งทางกายเหล่าใดเธอไม่ได้ถูกต้องเกิดมาไม่เคยกระทบแบบนี้เลยไม่เคยถูกต้องคือหมยายความว่าอัตภาพอดีตก็ไม่เคยไปถูกต้องกับไอไอโพธาภะเย็นร้อนอ่อนแข็งแบบนี้เลย ย่อมไม่ถูกต้องตอนนี้ก็ไม่ได้กระทบอารมณ์แบบนั้นทั้งการกําหนดว่าเราพึงถูกต้องก็ไม่มีแก่เธอไม่เคยตั้งความหวังว่าจะไปกระทบกับอารมณ์นั้นเลยเนี่ยนะเธอจะมีความพอใจกําหนัดหรือรักใครในโพธิภาพเหล่านั้นหรือมีไหมที่จะไปยินดีติดใจในอโพธิารมณ์เหล่านั้นไม่มีเลยพระพุทธเจ้าข้าธรรมอารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจเหล่าใดเธอไม่ได้รู้แจ้ง คือไม่เคยรู้มาเลยว่าสิ่งไอธรรมรมณ์อันนั้นเนี่ยมีใช่ไหมไม่เคยรู้แจ้งแล้วอดีตในอัตภาพอดีตก็ไม่เคยรู้แจ้งอารมณ์แบบนั้นเลยย่อมไม่รู้แจ้งไอตอนนี้ก็ไม่ได้รับรู้ไอไอธรรมรมณ์เหล่านั้นทั้งการกําหนดว่าเราพึงรู้แจ้งก็ไม่มีแก่เธอเธอจะมีความพอใจกําหนัดหรือรักใคร่ในธรรมอารมณ์เหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะ ไม่ได้เคยกระทบกับอารมณ์แบบนี้เลยนะไม่เคยคิดจะรับรู้เลยจะไปกําหนัดจะไปติดใจอะไรนะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยอะมาลุกะยะบุตรธรรมดาธรรมเหล่านี้คือรูปที่เธอเห็นเสียงที่เธอฟังอารมณ์ที่เธอทราบและธรรมที่เธอพึงรู้แจ้งในรูปที่เห็นจักเป็นเพียงศักว่าเห็น ทำยังไงไอเห็นอารมณ์นั้นแล้วอ่ะไม่นึกติดใจเหมือนกับอารมณ์ที่ไม่เคยอ่ะไม่เคยเลยอ่ะเห็นแล้วเหมือนกับไม่เคยเลยอ่ะทําใจยังไงอ่ะออุปมานี้เข้าใจนะพวกการลองอธิบายนี้เข้าใจว่ายังไงอท่านเคยฉันใส่อัวมเมิงลายไหมเชื่ อ, อยังเพิ่งได้ยินนี่แหละ เมื่อท่านไม่เคยฉันไม่เคยลิ้มรสไส้อัว่วเมงลายท่านก็จะไม่มีฉันทราคะในไส้อัว่วเมงลายเลยฉันใด น, นี่ก็เหมือนกัน<ม>นะครับสิ่งที่เราที่ท่านบอกมาทุกทุกทุกอย่างหมดเลยทวารทั้งหมดเลยเนี่ยนะก็ฉันนั้นเหมือนกัน ท่านนึกไม่ออกเลยว่าไส้อั่วแมงรายเนี่ยมันหอมมันอรรถอร่อยอย่างไรหมายความว่าไม่เคยนึกไปยินดีไอ้ไส้อั่วแมงราย<ม>ที่<ม>ว่าเล ย, เลยไม่มีเลยเพราะเจออารมณ์ทุกอย่างก็ให้คิดแบบไส้อั่วแมงรายเพราะฉะนั้นนะต่อไปอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะฝึกให้มีการสัมรวมให้มีการคุ้มครองก็ให้ทําอย่างนั้นอาจารย์ครับแต่ปัญหามันไส้อั่วแมงรายรสมันเป็นยังไงมันจะคิดไปนั่นอีกเลยแย่แล้วกันนี้ <laughs> เลยเปรียบเทียบไม่ถูกอะไรกันนี้ เพราะฉะนั้นในรูปที่เห็นจักเป็นเพียงศักว่าเห็นในเสียงที่ได้ฟังจักเป็นเพียงสักว่าฟังในอารมณ์ที่ทราบจักว่าเป็นเพียงสักว่าทราบในธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งจักเป็นเพียงศักวารู้แจ้งโอ้ยเนาะปฏิบัติง่ายจริงเลยนะเกี่ยวข้องอะไรเนี่ยนะถามว่านี่ต่อไปเนี่ยนะฉันจะไม่สนใจอะไรสักอย่างเห็นอะไรจะไม่สนใจเลยเงี้ยถามว่าอย่างนี้ใช่ไหม อ่ะ น, นะข้อปฏิบัติเพื่อความบรรลุอริยสัจมีอยู่ข้อปฏิบัติอันเดียวคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เห็นอะไรไม่สนใจในสิ่งนั้นสักอย่างนี่มันเป็นมรรคข้อไหนในมรรคแปดอ่ะ น, นะไอ้คำว่าไม่ศักดิ์แต่ว่าอันนี้เนี่ยนะเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อไปแล้วก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อใดบรรดาธรรมะทั้งหลายคือรูปที่เธอเห็นเสียงที่เธอฟังอารมณ์ที่เธอทราบ และธรรมอารมณ์ที่เธอพึงรู้แจ้งในรูปที่เธอเห็นจักเป็นเพียงศักว่าเห็นในเสียงที่ฟังจักเป็นเพียงศักว่าฟังในอารมณ์ที่ทราบจักเป็นเพียงศักว่าทราบในธรรมที่รู้แจ้งจักเป็นเพียงศักว่ารู้แจ้งเมื่อนั้นเธอจักไม่ถูกสิ่งนั้นครอบงำคือจิตจกัจกไม่เป็นผู้กำหนดด้วยราคะ จักเป็นผู้ไม่ขัดเคืองด้วยโทสะจักเป็นผู้ไม่ลุ่มหลงด้วยโมหะแต่ในขณะเดียวกันนี่อารมณ์ศักดิแต่ว่านี่นะโลภะไม่เกิดในอารมณ์นั้นเอาโทสะไม่เกิดในอารมณ์นั้นโมหะไม่เกิดในอารมณ์นั้นแต่มีอารมณ์นั้นอ่ะแต่รู้อารมณ์นั้นทํำยังไงก็ <c oughs> ตรงนี้ ช, ชักยุ่งแล้วเหมือนกันนะก็บอกเอาเห็นอารมณ์นั้นอ่ะเห็นแหละแต่โลภะไม่เกิดแต่โทสะก็ไม่มีแต่ไม่โง้อทำอยังไงละครนี้ ใครมีทฤษฎีอะไรมาลองช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยเอางี้นะเกี่ยวข้องกับเสียงทุกอย่างได้ยินได้ยินละโลภะไม่เกิดโทสะไม่มีแต่ก็ไม่โง่นะรอบรู้เสียงนั้นเป็นอย่างดีอันนี้ทำยังไงละครันี่ออหมอบอบปริญญาเลยนะสานั น, นะขยายตามอัตกถาอิติวุตกะไออุทานเป๊ะเลยที่ว่าเนี่ยนะอ บ, อบปริญญาสามก็แนลน้วกันแสดงว่าแถว อันนะั้ข้อความในพระ อ, องค์เนี่ยตรัสแบบนี้กับพระพาหิยะด้วยนะพาหิยะทารุจริยะเนี่ยนะซึ่งตรัสย่อๆในยะเดียวกันซึ่งพระ อ, องค์ตรัสว่าข้อความในอุทานภาหิยะสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคือพระพาหิยะเนี่ยนะไปไปขอธรรมะจากพระพุทธเจ้าแบบย่อๆขออยู่สามครั้งพระ อ, องค์ก็ห้ามอยู่สามครั้งนะนะ คือพาพายะไปทูลขอว่าแม้ครั้งที่สามพะพะยะธารุจีริยะก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีพระพุทธเจ้าก็ไม่แน่นะไม่รู้อันตรายแห่งชีวิตจะมาเมื่อไหร่ใช่ไหมความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของข้าพระองค์ก็ดีรู้ได้ยากนะ ว่าอันตรายแห่งชีวิตทั้งของพระพุทธเจ้าก็รู้ยากของข้าพระองค์ก็รู้ยากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าปโปรดทรงแสดงธรรมะแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตปโปรดแสดงธรรมะเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์สิ้นกาลนานเทิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภาหิยะเพราะเหตุนั้นแหละเพราะเหตุที่เธออ้อนวอน ว่าชีวิตของเราก็ไม่เที่ยงของเธอก็อไม่แน่นอนอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเพราะเหตุนั้นแหละท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าคําว่าศึกษานี่นะเอวังสิกขิตพังเธอเพิ่งทำศึกษาอย่างนี้ว่าท่านใช้คําว่าศึกษานะสิกขิตพังเนี่ยพึ่งศึกษาใช้เอาใหม่นะพึงศึกษานึกถึงอะไรพึงศึกษาสิกขาสามนะคือ อธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเพราะเหตุนั้นแหลท่านพึงศึกษาคือสิกขาทั้งสามอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นจักเป็นเพียงสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักว่ารู้แจ้งดูก่อนภาหิยะท่านพึงศึกษาอย่างนี้แหล เธอเพิ่งศึกษาแบบนี้อย่าลืมนะศึกษาสามนะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าอะไรก็เลยสักแต่ว่าเห็นก็เออสักแต่ว่าสีเสียงก็สักแต่ว่าเสียงเป็นรูปประธรรมชนิดหนึ่งกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นเป็นรูปชนิดหนึ่งอะไรเงี้ยโอเคนี้แหม่สบายไปนะอริยมมักมีองค์แปดไม่รู้ทิ้งไว้ตรงไหนถ้าหากว่าไม่เข้าใจดูก่อนพาหิยะในการใดแลเมื่อท่านจักเห็นเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบ จักเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักว่ารู้แจ้งในการนั้นท่านย่อมไม่มีใช่ไหมไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยใช่มเพียงสักแต่ว่าก็เลยไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินไม่มีใครทราบไม่มีท่านอยู่ในนั้นเลยไม่มีที่ว่าพาหยะอยู่ในนั้นเลยมีแต่ความประชุมการของสภาพธรรมะทั้งหมดว่างั้ น, นในการใดท่านไม่มี ในการนั้นท่านย่อมไม่มีในโลกนี้ย่อมไม่มีในโลกหน้าย่อมไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองเดี๋ยวไอ้โลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้าก็ไม่สงสัยมันไปแขวนอยู่ช่องว่างๆแถวนั้นเอ็มอันนี้ไม่มีอย่างนั้นหรอกนี่แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์โอโ้โหลำดับนั้นจิตของพะยะทารุจิรยะกุลบุตรหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นในขณะนั้นเอง ด้วยพระธรรมเทศนาโดยโย่อนี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าลำดับนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนพาหยะทารุจิรยะด้วยพระโอวาทโดยโย่อนี้แล้วก็เสด็จหลีกไปของเราฟังยังไม่เข้าใจว่าท่านเทศอะไรเลยนะอย่าว่าบรรลุตามเลยเหมือั้นพาพาหยะบรรลุไปแล้วะจะได้กล่าวข้อความในอัตกถาว่า ก็ความในอัตถกถาประมาตทีปนีอัตถกถาคุตกานิกายอุทานอธิบายพาหิยะสูตรว่าบรรณาบทเหล่านั้นบทว่าตัสมาความว่าเพราะท่านเป็นผู้เกิดความขวนขวายอ้อนวอนเราอย่างยิ่งหรือเพราะท่านกล่าวว่าอันตรายแห่งชีวิตรู้ได้ยากและอินทรีของท่านตอนนี้ก็แก่กล้าแล้วก่อนหน้านั้นอินทรียังไม่แก่ตอนนี้อินทรีห้าแก่กล้าเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นสับว่าติหะเป็นเพียงนิบาทเหนนบทว่าสิกขิตัพังความว่าพึงทำการศึกษาโดยสิกขาแม้ทั้งสามมีอธิศีและสิกขาเป็นต้นนะพระ อ, องค์เน้นก่อนนะขึ้นสิกขาสามก่อนแต่เมื่อพระองค์จะทรงแสดงอาการที่จะพึงศึกษาที่จะพึงศึกษาในสิกขาสาม จึงตรัสาเนียที่ว่าทิฏทิทธิธรมตังภวิสติเมื่อเห็นก็เป็นเพียงแต่เห็นเนี่ยนะบรรดาคำเหล่านั้นบอทว่าทิเททิทธรมตั ง, งได้แก่สักว่าการเห็นรู ป, ปายตนะด้วยจกักขูวิญญาณสักเห็นว่าสีเนี่ยนะสีที่มีจกักขูวิญญาณเป็นอารมณ์อธิบายว่าเธอพึงศึกษาว่า จักขูวิญญาณเห็นซึ่งรูปในรูปเท่านั้นหาเห็นสภาพลักษณะเมียนิจจาลักษณะเป็นต้นไม่ฉันใดคืออนุภาพของจักขูวิญญาณนี่เห็นอยู่แค่นั้นแหละมีแค่สีเป็นอรรมณะปัจจัยเท่านั้นถ้ามเมื่อกี้เนี่ยนะฟังฟังที่พระองค์ตรัสกับพระมาลุกยะใช่ไหมไอ้สีที่ไม่เคยเห็นเสียงที่ไม่เคยได้ยินเป็นต้นเนี่ยที่ไม่เคยได้ยินะเมื่อมาเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นน่ะทำใจยังไงให้มันได้เท่านั้นอ่ะ ไม่รู้สึกยินดีด้วยราคะโทสะและโมหะในอารมณ์นั้นเลยอ่ะอันนี้ก็จะแนวเดียวกันคล้ายคลึงเพราะอัตตกถาสองคำพีทั้งอัตตกถาสารัตะประกาศินีอัตตกะถ า, าสังยุตตะนิกากับปรมัติตีปณีอัตตกถ า, าอุทานขยายแนวเดียวกันเป๊ะเลยแต่ว่าในอัตตกะถ า, าอุทานขยายมากกว่าก็บอกว่ารูปที่เหลือ จะเป็นเพียงอันเราเห็นด้วยวิญญาณที่เป็นไปในทางจากักขคูทวารเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าการรู้แจ้งซึ่งรูปด้วยในรูปด้วยจักรคูวิญญาณชื่อว่าเห็นรูปในรูปที่เห็นอนะเอาเฉพาะเน้นไปที่อารมณ์ที่เป็นอารมณะปัจจัยของจักรูวิญญาณที่จริงสีในโลกนี้มีมากมายใช่ไหมแต่สีที่เป็นอารมณะปัจจัยของจักูวิญญาณนี่มี ทีละอย่างเท่านั้นทีละขณะเท่านั้นบทว่ามัตตาแปลว่าประมาณเนี่ยนะมัตตาเนี่ยประมาณประมาณแห่งรูปนี้ที่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าทิธฐมัตตะคือหมายคำว่าชาวนะของเธอที่เห็นเนี่ยนะทำยังไงเอาจักรุวิญญาณเป็นประมาณอธิบายว่าจิตเป็นเพียงจักรุวิญญาณเท่านั้นเป็นประมาณคือคือ ไม่ใช่ว่าโง่เท่าจากขวิญญาณนะไม่ใช่แบบนั้นเลยนะเพราะชาวนะใครมีเจตสิกเข้าจากขวิญญาณมากเอามีไหมในโลกนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเจตสิกเกิดร่วมกี่ดวงในชาวนะถ้าเป็นกุศลเท่าไหร่อันนะอย่างน้อยที่สุดนะถ้าอุเบกดวงที่แปดเลยมหากุศลดวงที่แปดไม่มีปีติอันดัหนึ่งนะไม่มีปีติอย่างเดียวก่อนไม่มี วีรตีสามไม่มีอัปปมัญญาสองไม่มีปัญญาเนี่ยนะสิบเก้าบวกสิบสองเท่ากับสามสิบเอ็ดแค่นั้นใช่ไห ม, มนั่นแหละวีรตีก็ไม่เกิดอัปปมัญญาก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดนะนนก็มีเท่านั้นแหละ เ, เอางั้นแต่ก็ไม่มีดวงใดครบทรสมสิบแปดแต่ว่ากล่าวรว ม, รวมๆเฉยๆ นนะเพราะอัปมัญญาจะไม่เกิดพร้อมกันวีระตีเกิดพร้อมกันในขณะมักแต่อัปมัญญาก็จะไม่เกิดเนี่ยนะถ้าธรรมดาทั่วไปวีระตีจะไม่เกิดร่วมกันคือถ้ามหากุศลดวงที่8เนี่ยนะจะไม่มีปีติเกิดร่วมด้วยก่อนเนี่ยนะไม่มีปีติเพราะฉะนั้นอัญญสมนา13าหักปีติออกไปหนึ่งดวงแล้วในโสพณนะทั้งหมดมี25้า เพราะในขณะนั้นจะไม่มีวีรตีก็ได้เนีย่ยนะถ้าไม่ได้ปารบสีและกุศลไม่มีอั ป, ปัญญาก็ได้ถ้าไม่ไม่ได้เจริญเมตตาเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีปัญญาก็ได้เพราะไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นสิบสองบวกกับสิบเก้าก็เท่ากับเท่านั้นแหละเพราะโสภาสาธารณะอย่างไรต้องเกิดอยู่แล้ว จะไม่แค่เจ็ดดวงเหมือนกับจกักรคูวิญญาณใช่ไหมท่านอธิบายไว้ว่าจากักขคูวิญญาณย่อมไม่กําหนัดไม่ขัดเคืองลุ่มหลงในรูปที่มาปรากฏฉันใดจัดตั้ง เ, เราจะัดตั้งชวนะจิตไว้โดยประมาณแห่งจกักขคูวิญญาณนี้ว่าชวนะจิตของเราจะเป็นเพียงจกักรคูวิญญาณเท่านั้นเพราะเว้นจากราคะเป็นต้น แต่ไม่ได้บอกเว้นจากกุศลเป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่นะแต่ว่าเว้นจากราคาแต่ว่าสีที่เป็นอารามณปัจจัยของราคะเนี่ยนะต้องแยกออกถามว่าทําไมสายใจสีอันนั้นอย่างไรจึงจะเป็นอารามณปัจจัยของโลภะทั้งแปดเพราะสายใจว่าสีนั้นเนี่ยน่าปรารถนาหรือสีนั้นเนี่ยดีงามเป็นต้นเนี่ยนะถ้าสายใจแบบนี้นี่แหละจึงเป็นอารามณปัจจัยของโลภะแปดอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าไม่น่าพอใจเลยสีอันนั้นอันนี้เป็นอารมณ์ปัจจัยของโทสะหรือถ้าอุทธจารเกิดขึ้นอ่ะออสีก็สีไปแบบคนกําลังยังไงฟุ้งซ่านอ่ะนะมีสีเป็นอารมณ์แต่ก็ฟุ้ ง, งนั่นแหละอันนี้ก็โมหะแต่ว่าเห็นยังไงให้ชาวนะไม่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะเหมือนจากขวิญญาณซึ่งไม่มีโลภะโทสะโมหะ แต่ว่าข้อปฏิบัติมีทางมัชชิมาปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8ทําำยังไงชวนะจึงจะให้ไปเป็นไปแนวมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิกัมมัสสกตาเป็นต้นสัมมาสังกัปปามีเนกขัมมสังกัปปะเป็นต้นสัมมาวาจาเป็นต้นก็จะเป็นไปตามนั่นแหะเพราะฉะนั้นทางสายเอกก็คือสติปัฏฐานเป็นต้นนั่นเองอยังเด็กเป็นไหนไปหมดเวลาแล้ว เพิ่งเข้าใจวันนี้ครับว่าความหมายคำว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยเออสักอันนี้ถ้าอธิบายตามแนวนี้นะครับโดยอาถานี้นะครับเ อ, อเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ก่อนนี้เราฟังแล้วผิวเผินะสักเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยดีไม่ดีไปพิจารณาผิดด้วยไปเข้าใจผิดแล้วก็มีหลายสำนักที่เอาคํานี้ไปอธิบายโดยที่มันอธิบายเบื้องหน้าเบื้องหลังเหตุผลไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจด้วย เพราะว่าเห็นสักต่ว่าเห็นหมายความว่ามีลักษณะคล้ายๆกับเมื่อกี้เนี่ยครับคือไม่รู้เรื่องทําให้มันเบอร์เอร์ใช่ไหมเบอร์เบอนิดๆสีเนี่ยไงสีเนี่ยโอ้สีเท่านั้นแหละจำไม่ใช่อะไรสักอย่างเลยไม่เหมือนในขณะที่เห็นจริงๆนั่นน่ะนะไม่เหมือนนั่นนะเพราะฉ ะ, ฉะนั้นเนี่ยนะอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้กล่าวถึงเรื่องว่าสงเคราะห์ลอยสีโดยเหตุเกิดของสี ความดับของสีอัสสาธาของสีอาทธีนวะของสีแล้วก็นิสรณะของสีต้องสงเคราะห์ อ, อันนี้ได้เพราะว่าในอายตนะ1ิบสองเนี่ยนะตามคำพีปฏิสัมพิธาเนี่ยในสุตตมยายานเนี่ยโดยในหัวข้อไปยานเนี่ยสามารถที่จะสงเคราะห์ลงสีเนี่ยนะรูปหรือสีเนี่ยนะรูปรูปสมุทยัยเนี่ยนะ รูปนิโรธแล้วก็รูปนิโรธคามินีปฏิปทานะถ้าหากว่าตามคำพีสั่งยุตนิกายเล่มที่เราอ่านกันอยู่นี้เนี่ยนะจะมีก่อนหน้านั้นมาว่ารูปนะเหตุเกิดของรูปความดับรูปอสสาทาของรูปอาทีนวะของรูปแล้วก็นิสรณะของรูปแล้วก็อย่างรูปอันนี้โดยโดยอะไร โดยว่าเออนี้รูปควรรู้ยิ่ง น, น, นะนะรูปควรรู้ยิ่งแล้วก็ยังสามารถสงเคราะห์ต่อไปว่ารูปรูปสมุไทยเนี่ยนะควรละรูปนิโรธควรทำให้แจ้งรูปนิโรธค า, ามินีปฏิปทาควรปฏิบัติแล้กันท่านก็สงเคราะห์ลงไปในนั้นหมดไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยเออเห็นสักแต่ว่าเห็นรูปนี้แล้วไม่ประพฤติ ป, ปฏิบัติเอาอย่างนี้ดีกว่า ถ้ามาจากเจริญกรรมฐานไอเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยนะถ้าครูอาจารย์เป็นต้นมาไม่ลุกรับเนี่ยเออเห็นสักแต่ว่าเห็นอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าเสด็จมาเราก็เห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยนะเชื่อว่าทําถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นไอเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยทายังไงอะโลภโทสะโมหะไม่เกิดนั่นแหละจึงจักเชื่อว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเห็นด้วยสัมปชัญญะเป็นต้นเนี่ยนะเห็นด้วยสังวรทั้งห้าเห็นด้วย สติด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเห็นศักแต่ว네่าเห็นไม่ได้ขัดกับหลักธรรมอื่นๆเลยเห็นศักด์แต่ว่าเห็นไม่ขัดกับพระวินัยเห็นศักแต่ว่าเห็นไม่ขัดกับพระสูตรอื่นๆเห็นแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นก็ไม่ขัดกับหลักอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถามว่าเห็นศักแต่ว่าเห็นยังไงเห็นตามภาะพิธรรมที่แสดงไว้ทั้งหมดนั่นแหละชื่อว่าเห็นศักแต่ว่าเห็นเห็นตามพระสูตรเนี่ยนะที่ที่ถูกต้องก็เห็นแบบนั้นแหละ แต่ว่าคงจะต้องต่อวันพรุ่งนี้แล้วเนอะ